พวกนิโครนเกิดแตกกันเป็นสองฝ่ายทะเลาะวิวาทกันอย่างรุนแรงพระจุนทะซึ่งเป็นน้องชายของพระสารีบุตรจําพรรษาใก ล, กล้กรุงปาวาจนตลอดพรรษาแล้วก็ไปหาพระอานนท์ณสามคามว่ายพระอานนท์แล้วเล่าความให้ฟังพระอานนท์จึงชวนพระจุนทะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคปราบทูลให้ทรงทราบ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 ศา ส, สดาไม่ดีหลักธรรมไม่ดีสาวกไม่ดีสสก็เป็นที่ติเตียนทั้งสามฝ่ายใครปฏิบัติตามก็ประสบสิ่งไม่ใช่บุญเป็นอันมากสองศาสดาไม่ดีหลักธรรมไม่ดีแม้สาวกจะดีคือปฏิบัติตามก็เป็นที่ติเตียนทั้งสามฝ่ายใครทำความเพียรตามก็ประสบสิ่งไม่ใช่บุญเป็นอันมาก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 หศาสสดาดีหลักธรรมดีสาวกไม่เข้าใจเนื้อความแห่งธรรมะแจมแจ้งเมื่อสัสดาตายแล้วสาวกก็เดือดร้อนภายหลัง6ศสสดาดีหลักธรรมดีสาวกเข้าใจเนื้อความแห่งธรรมะแจมแจง้งเมื่อสัสดาตายแล้วสาวกก็ไม่เดือดร้อนภายหลัง รมจ a j a ์บริบูรณ์หรือไม่ตรัสต่อไปอีกว่ารมจ a j a ์ที่ประกอบด้วยองค์เหล่านี้แล้วหนึ่งแต่ถ้าศัสดาไม่ใช่เป็นเทระผู้รู้เห็นเหตุการณมานานบวชนานก็ยังชื่อว่าบกพร่องในข้อนี้ถ้าศัสดาเป็นเทระเป็นต้นจึงชื่อว่าบริบูรณ์ในข้อนี้สองถ้าศ ส, สดาเป็นเทระเป็นต้น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 อุบาสิกาผู้ประพฤติพรมจรรย์ผู้บริโภคกา ร, รมถ้ายังไม่ดีสมบูรณ์พรมจรรย์ก็ยังไม่สมบูรณ์ต่อเมื่อดีสมบูรณ์พรมจรรย์จึงชื่อว่าสมบูรณ์สำหรับข้อนี้มีข้อน่าสังเกตในที่นี้คือคําว่าอุบาศกอุบาสิกาหรือสาวกปลายเครือหัดนั้นมีทั้งสองประเภทคือประเภทถือพรมจรรย์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 คำว่าพยัญชนะหมายถึงตัวอักษรหรือถ้อยคําอัตถะหมายถึงความหมายของตัวอักษรหรือถ้อยคําอถ้ารู้สึกว่าถือเอาอัตถะผิดยกพยัญชนะถูกก็พึงสอบถามอัตถะของพยัญชนะสองฝ่ายว่าอันไหนจะชอบด้วยอุบายกว่ากันแล้วพิจารณาเหมือนข้อหนึ่งสาม ถ้ารู้สึกว่าถือเอาอัถฐถูกยกพยัญชนะผิดก็พึงสอบถามพยัญชนะสองฝ่ายของอัถะนี้ว่าอันไหนจะชอบด้วยอุบายกว่ากันแล้วพิจารณาเหมือนข้อหนึ่งถ้ารู้สึกว่าถือเอาอัถะถูกยกพยัญชนะถูกก็พึงอนุโมทนา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 เพราะสิ้นสังโยต์สามเป็นพระสกัาคามีผู้จะกลับมาเกิดเพียงครั้งเดียวเพราะสิ้นสั่งโยต์สามและทำราคะโทสะโมหะให้น้อยลง 3. เป็นพระอนาคามีผู้ไม่กลับมาเกิดเพราะสิ้นสังโยต์เบื้องต่ำทั้งห้า 4. ทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะ